บทที่32นางสาวงอกงามหลวงพ่อคะหนูจะมาเข้ากรรมาฐานคะ่ะเด็กสาววัย18ปเอ่ยขึ้นหลังจากทำความเคารพท่านพระครูด้วยการกราบสามครั้งแล้วหนูมาจากไหนจ้ามากับใครสมภารวัดป่ามะม่วงถามจากบางระจันคะ่ะหนูมาคนเดียวแม่ให้มาปฏิบัติก่อน แล้วกลับไปเปลี่ยนแม่เรารับจ้างซักรีดเสื้อผ้า ค, ค่ะตอนนี้งานไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ก็เลยผลัดกันมาเข้ากรรมาฐานลอนกราบเรียนดีแล้วหนูมาสร้างความดีให้กับตัวเองก็นับว่าประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วสะสมบุญเอาไว้มากๆต่อไปภายภาคหน้าหนูจะเจริญรุ่งเรือง มีคู่ครองก็จะได้คนดีเพราะว่าอํานาจบุญกุศลบันดาลหนูคงไม่มีวาสนาถึงปานนั้นหรอกค่ะหลวงพ่อหนูยากจนค้นแค้นเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกผู้ชายดีๆที่ไหนก็จะมามองพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวท่านพระครูมองหน้าหล่อนและเห็นว่าหญิงสาวผู้นี้จะได้ดิบได้ดีต่อไปในวันข้างหน้า แม้เสื้อผ้าถุงที่หล่อนสวมใส่จะมีรอยปะจุนหลายแห่งแต่งโงเูเฮงบนใบหน้าก็สอแววว่าหล่อนจากลายเพศเป็นเศรษฐีต่อไปในอนาคตมีสิหนูผู้ชายดีมีคุณธรรมเขาจะไม่มองแต่รูปภายนอกแต่เขาจะมองเข้ามาถึงภายในหัวใจแล้วก็เลือกหนูเป็นคู่ครองเชื่อหลวงพ่อสิ ขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานก็แล้วกันนะหนูนะค่ะหนูตั้งใจอยู่ว่าจะปฏิบัติสิห้าวันหลังจากนั้นก็จะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาอยู่ปฏิบัติบ้บางเรายากจนเหลือเกินค่ะหลวงพ่อหนูกับแม่รับจ้างรีดผ้าวันวันต้องซักผ้ารีดผ้าหลายสิบตัวบางทีรีดผ้าเขาไหมก็ต้องหาเงินมาซื้อใช้เขาเตารีดถ่านเอาแน่ไม่ค่อยได้ ร้อนมากก็ทำให้ผ้าไหมร้อนน้อยก็ทำให้รีดไม่เรียบถ้าไม่ยากจนค้นแค้นสาหัสอย่างนี้หนูคงมีเตารีดไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างเกิดมาจนเนี่ยไม่ดีเลยนะคะหลวงพ่อพูดอย่างน้อยใจในวาสนาไม่เป็นไรหรอกหนูอีกหน่อยหนูจะรวยขอให้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วกันเชื่อหลวงพ่อเถอะ กรรมฐานทําให้รวยได้หรอคะยิ้งสาวรู้สึกกังขาได้สิถ้าปฏิบัติถึงขั้นแล้วพ่อของหนูยังอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะเห็นพูดถึงแต่แม่ท่านเปลี่ยนเรื่องถามอยู่คะ่ะเตี่ยมีอาชีพเป็นจับกังรับจ้างแบกหามอยู่ในตลาดบางระจันแม่กับเตี่ยมีลูกห้าคนหนูเป็นคนโต มีน้องชายสี่คนกําลังเรียนหนังสือเตียบอกน้องๆว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ถ้าอยากร่ํารวยก็ให้ตั้งใจเรียนน้องๆเขาก็เชื่อฟังแล้วเรียนเก่งกันทุกคนเลยค่ะดีแล้วในอนาคตน้องๆของหนูก็จะได้เป็นถึงด็อกเตอร์เพราะว่ามีพ่อแม่ดีเตียนุศอนลูกได้ดีมากการใช้วิชาความรู้ มีค่ายิ่งกว่าใช้ทรัพย์สมบัติเพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นหมดได้ถ้าใช้ไม่เป็นบางคนมีนาไร่เป็นร้อยๆแต่ไปติดการพานันเลยขายเอาเงินไปเล่นหมดจากเศรษฐีก็ต้องกลายมาเป็นยาโจกหลวงพ่อเห็นมาหลายรายแล้วเสียงกรองเพลงดังขึ้นท่านพระครูจึงบอกญาติโยมที่กำลังนั่งสมาธิให้เตรียมแผ่เมตตา แล้วก็อุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงสั่งนางโถว่าช่วยพาแม่หนูคนนี้ไปทานข้าวหน่อยเสร็จแล้วพาไปส่งที่สำนักชีด้วยให้ปฏิบัติอยู่ที่สำนักชีไม่ต้องมาที่นี่ชื่ออะไรล่ะหนูคุยกันตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเลยหนูชื่องอกงามค่ะนางสาวงอกงามหลอนตอบชื่อเพาะดี ก็ขอให้งอกงามในธรรมสัมมาปฏิบัตินะหนูนะเอาละไปกับโยมโถเขานะหลวงพ่อเห็นจะต้องกลับกุฏิก่อนพูดจบจึงลงเดินบันไดกลับไปยังกุฏิที่พักอุบาศกอุบาสิกาพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวพวกแม่ชีก็ช่วยกันทำอาหารเลี้ยงผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดจนแขกเหลือที่มานมัสการท่านพระครู เมื่อจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงเดินทางมาถึงกุติก็พบสตรีสามคนนั่งรออยู่จินทักขึ้นว่าจเจริญพรโยมาจากไหนกันจ๊ะจากกรุงเทพจากหลวงพ่อฉันพาน้องสาวสองคนมาเข้ากรรมาฐานคนเป็นพี่สาวตอบแล้วกราบสามครั้งส่วนน้องสาวทั้งสองพากันกราบตั้งแต่พระครูเดินเข้ามา ไปรับประทานข้าวกันก่อนนะถึงเวลาอาหารแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยพูดกันที่หลังเคยมาหรือเปล่าเคยจ่ะแต่น้องยังไม่เคยงั้นฉันพาน้องไปทานข้าวและจึงมาหาหลวงพ่อที่นี่นะจ๊ะตกลงหลวงพ่อก็ฉันเพนเหมือนกันท่านตอบคนทั้งสามกราบท่านพระครูสามครั้ง แล้วพากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหารหญิงสาวสามคนลุกออกไปแล้วจะอาวาตวัดป่ามะม่วงจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเพื่อเตรียมตัวฉันพัฒหารซึ่งเด็กชายขาวกับเด็กชายแดงคู่แฝด ว, วัยเจ็ดขวบจัดเตรียมไว้ให้ส่วนนมสําริดซึ่งบัดนี้เปลี่ยนคำนาหน้าจากชื่อเด็กชายมาเป็นนาย ได้เข้าไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดท่านพระครูพาไปฝากไว้วัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเมื่อคนทั้งสามกลับมายังกุฏิอีกครั้งก็พบท่านเจ้าของกุฏินั่งอยู่ที่อาสนะจึงเข้าไปนั่งต่อหน้าท่านกราบสามครั้งแล้วคนเป็นพี่ก็เอ่อยขึ้นว่าน้องสาวฉันดวงไม่ดีเลยอยากมาเข้ากรรมาฐานฉันก็เลยต้องพามา แล้วโยไม่เข้าด้วยหรือจ๊ะอ้อยไม่ไหวหรอกหลวงพ่อฉันไม่ใช่คนมีปัญหาจะได้มาเข้าเอาไว้ให้คนที่มีปัญหาเข้ากันก็แล้วกันหล่อนพูดเหยียดเยียดคิดเอาเองว่าคนที่เข้าวัดนั้นเพราะเขามีปัญหาพี่สาวหนูเขาไม่ศรัทธาเราค่ะหลวงพ่อเขาถือว่าเขามีความสุขอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมาเข้าวัด น้องสาวคนรองพูดอย่างอดรนทนไม่ได้ก็มันจริงนี่นาหลวงพ่อเชื่อไหมลูกทั้งท้องมีฉันโชคดีอยู่คนเดียวแม่ฉันมีลูกสาวสามคนฉันเป็นคนโตแล้วก็โชคดีกว่าเพื่อนส่วนน้องสาวสองคนไม่ไหวโชคร้ายที่สุดหลอนทำปากเบ้แล้วก็สายศีษะไปมาโชคร้ายยังไงล่ะท่านพระครูซัก ก็เขาได้ผัวไม่ดีนะสิจ้าหลวงพ่อน้องเขยสองคนของฉันแย่มากใช่เมียอย่างกับขี้ข้าไม่ทำมันก็เตะเอาสู้ผัวฉันไม่ได้นัมเบอร์วันเลยหล่อนชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นประกอบคำพูด อ, อ๋องั้นหรือพวกบ้านของโยมเขาดียังไงล่ะก็เขาทำให้ฉันทุกอย่างตั้งแต่หุงข้าวทำกับข้าวซักผ้า พูดแล้วจะหาว่าคุยแม้แต่ชั้นในก็ยังซักให้ชั้นเลยจ้าหลวงพ่อหล่อนคุยอวดหากท่านพลักกรูกลับมองว่าหล่อนกําลังประจานสามีอย่างงั้นเจรืยังไม่หมดนะจ๊ะเขายังเลี้ยงลูกให้ชั้นอีกด้วยชั้นมีลูกสี่คนเขาก็เลี้ยงให้หมดชั้นไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหดีจริงๆเท่ากับโยมได้ลูกชายคนโตดี เพราะสามารถทำให้แม่ได้ทุกอย่างท่านพระครูประชดทว่าหญิงสาวคิดว่าท่านพูดจริงจึงยิ้มย่องผ่องใสาภาคภูมิใจในสามีสุดที่รักแต่ดีสำหรับโยมนะไม่ใช่สำหรับอาตมาทำไมล่ะจ้าหลวงพ่อหน้ายิ้มเปลี่ยนเป็นหน้าบึง้งเมื่อท่านพระครูไม่เห็นด้วยหรือว่าท่านจะรู้ถึงภูมิหลังของหลอน คงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะน้องสาวสองคนที่มาด้วยยังไม่รู้ไม่รู้ว่าหล่อนแย่งสามีคนอื่นเพียงมองหน้าและกาหนดเห็นหนอท่านพระครูก็รู้อดีตปัจจุบันของหล่อนอย่างทะลุปลุโปรงและรู้เลยไปถึงอนาคตด้วยโยมชื่ออะไรกันบ้างละ่ะคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเลยสมพานวัดป่ามะม่วงเปลี่ยนเรื่องถาม ฉันชื่อแจมจันจ่ะน้องสาวคนลองชื่อแจมจิตส่วนคนเล็กชื่อแจมใจนั่งแจมจันทตอบแล้วเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงตอบเกินคําถามว่าส่วนผมชั้นชื่อปรุงจ่ะเป็นประหลัด อ, อำเภอกําลังจะได้เป็นนายอําเภอในเร็วๆนี้ละไม่ได้เป็นหลอกโยมอัตมารับรองว่าไม่ได้เป็นเขาจะเป็นแค่ประหลัดอำเภอ ไปจนกเกษียณเพราะกุศลกรรมไม่มีท่านพระครูพูดตามที่เห็นทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นละ่ะมาแช่งผัวฉันทำไมผู้หญิงอายุส8สดพูดกรดโกรธพี่พูดกับหลวงพ่อดีๆหน่อยนางจำใจเตือนพี่สาวช่างเขาเถอะหนูพี่สาวหนูหนะเขาเป็นคนลึกลับแม้แต่หนูสองคน ซึ่งเป็นน้องสาวก็ยังไม่รู้จักเขาดีพอจริงไหมล่ะโยมที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่ปาท่านตั้งใจยั่วให้หล่อนโกรธนานทีปีหนคนทูตศีลจะมาเข้าวัดจึงต้องดัดนิสัยดัดนิสัยหล่อนใชบ้างมิชนะหล่อนก็จะดันทุรังก่อกรรมทําชั่วต่อไปนังแจ่มจันทร์เป็นชู้กับนายปรุงโดยที่พ่อแม่และน้องๆของหล่อนไม่รู้เรื่องนี้ ทำไมหลวงพ่อถึงว่าผัวฉันไม่ได้เป็นในอํอำเภอล่ะผู้หญิงอายุ38ยังไม่หายกลางแกรงใจก็ให้อัตมาพูดตรงๆไม่ล่ะอย่าหาว่าประจานนะอัตมาหวังดีหากโยมยุติการกระทําที่ผิดศีลธรรมขอให้เชื่อเทวานารกสวรรค์มีจรงิงกรรมที่ผิดศีลข้อสามเมื่อตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วในเมืองนรก ที่มีน้ํายาวถึง16องคุลีผัวฉันเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเวลาตายจะเอาเรื่อยไฟฟ้าใส่โรงไปด้วยหล่อนพูดตามที่ในปรุงสอนไว้ทำพูดดีไปเธอและอย่ามาหาว่าอาตมาไม่เตือนก็แล้วกันสามีโยมนะ่ะเขาไม่ก้าวหน้าในการงานอีกต่อไปเพราะผิดศีลนี่แหละหลวงพ่อคะพี่สาวหนูเขาผิดศีลข้อสามยังไงคะ นั่งแจ่มจิตถามหล่อนไม่รู้ภูมิหลังของคนที่เป็นพี่สาวเพราะถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักบ้านหล่อนอยู่บางนาขณะที่พี่สาวอยู่บางกะปิส่วนน้องสาวคนเล็กอยู่บางแคจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวของกันและกันถามเ้าดูสิแต่หนูสองคนไม่ต้องไปเสียอกเสียใจว่าได้สามีไม่ดี เขาอาจจะไม่ดีในทัศนะของพี่สาวหนูแต่สำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อว่าอย่างน้อยเขาก็ดีกว่าพี่เขยของหนูดีกว่าอย่างแน่นอนหลวงพ่อมาว่าผัวฉันทำไมเป็นพระเป็นเจ้าพูดอย่างนี้ได้เหรอฉันจะไปบอกผัวฉันให้มาเอาเรื่องกับหลวงพ่อไว้เขาได้เป็นในอำเภอเมื่อไรฉันจะให้เขามาเล่นงานหลวงพ่อ นางแจ่มจันทร์พูดกรดโกรธมาเลยโยมมาเผาวัดอาตมาก็ได้แต่ต้องให้ไดเป็นอำเภอก่อนนะท่านพระครูท้าเพราะรู้ว่าบุรุษผู้จมอยู่ในตันหาสาครคนนั้นไม่มีโอกาสจะได้มาพบความก้าวหน้าในชีวิตอีกเลยเพราะอำนาจดำและการประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงของเขา อวดดีท่านอวดดีเกินไปแล้วหลอนกรีดเสียงพี่จันน้องสาวสองคนอุทานขึ้นพร้อมกันทำไมเรียกพี่ทำไมหญิงเจ้าโทสะหันมาเล่นงานน้องสาวพี่พูดกับหลวงพ่อท่านดีๆหน่อยบาปกรรมนะพี่นั่งแจ่มใจเตือนพี่สาวแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวแท้ๆของหล่อนมันเรื่องของฉัน เอาละฉันจะกลับแล้วแกสองคนจะกลับกับฉันไหมไม่จ้ะหนูตั้งใจมาเข้ากรรมาฐานพี่จิตละ่ะน้องคนเล็กถามพี่คนรองพี่ก็ยังไม่กลับจ้ะแล้วหันไปบอกพี่สาวคนโตว่าพี่จันทร์กลับคนเดียวเถอะจ้ะขอบคุณที่มาส่งหล่อนกระพุ้มมือไหว้พี่สาวตามใจ แล้วกลับกันเองก็แล้วกันฉันไม่มารับพวกแกหรอกเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกพูดจบก็ลุกขึ้นสะบัดก้นออกไปโดยไม่ล่าลาเจ้าของกุฏิหนูต้องกราบขอโทษหลวงพ่อแทนพี่สาวด้วยนะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขาดูมีรับลมคมในพิกลพี่เคยหนูก็เหมือนกันหนูไม่ถูกชะตาเลย ท่าทางเหมือนคนไม่จริงใจนางแจ่มจิตว่าก็เขากำลังเมานีจาน่จ้หนูเมาครบสี่แบบเจ้าละท่านพระครูพูดถึงนายปรุงพูดซึ่งแม้ไม่เคยเห็นหน้าหากเห็นเห็นกรรมของเขาอย่างทะลุปโปร่งเป็นอย่างไรคะนางแจ่มใจถามหนูเคยได้ยินไหมล่ะ ที่คนโบราณเขาสอนไว้ว่าเมาเพศหมดค่าเมาสุราหมดความสาคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีพี่เคยของหนูเขาเมาครบสี่แบบเลยเขาจึงหมดค่าหมดความสาคัญหมดตัวแล้วก็หมดดีหลวงพ่อถึงได้พูดว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นในาอาเภอยังไงละ่ะ แต่สามีของหนูสองคนจะก้าวหน้าการที่ภรรยามาเข้ากรรมฐานจะช่วยให้สามีเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาเข้าใจไหยละ่ะเข้าใจค่ะหญิงสาวทั้งสองตอบพร้อมกันหลวงพ่อคะทำไมพี่สาวคนโตถึงมีนิสัยไม่เหมือนเราสองคนล่ะคะหนูไม่นึกว่าเขาจะแสดงความก้าวร้าวต่อหน้าหลวงพ่อขนาดนี้ หนูอายเหลือเกินค่ะอายที่มีพี่สาวแบบนี้ทาไมเราสามคนเกิดท้องเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันละคะนั่งจมจิตถามไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกหนูไม้ไผ่อย่างต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจคนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระจะเหมือนกันได้อย่างไรบางคนพี่ชายแสนดีน้องชายเลว บางคนพี่ชายเลวแต่ว่าน้องชายดีก็มีไม่น้อยเหมือนหนูสองคนกับพี่สาวถึงจะมาจากท้องเดียวกันแต่ก็ต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเอาละพากันไปเข้าที่พักได้กุติแม่เอิยงยังว่างให้ไปพักที่นั่นนะเวลาปฏิบัติก็ให้ไปที่สาราถ้ามาคนเดียวหลวงพ่อจะส่งไปที่สำนักชี แต่ถ้าใครมาสามารถอยู่คนเดียวได้ก็จะให้ไปพักที่กุติที่วัดเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่มากบางคนเขากลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวเมื่อตอนสายมีแม่หนูคนหนึ่งมาจากบางระจันหลวงพ่อดูหน้าก็รู้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยส่งไปอยู่ที่สำนักชีท่านหมายถึงนางสาวงอกงามถ้าอย่างนั้นหนูกับน้องขออนุญาตเข้าไปพักเลยนะคะ ไปถูกใช่ไหมกุติหลังที่อยู่หน้าโบสถ์น่ะค่ะคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกไปเข้าที่พักปฏิบัติกรรมาฐานครบสิบห้าวันแล้วนางสาวงอกงามก็มากราบลาท่านสมภาร เพื่อกลับบ้านไปเปลี่ยนมารดาให้มาปฏิบัติบ้บางท่านพระครูฉันพัฒหารเพลงเสร็จเข้าไปแปรงฟันบ้วนปากในห้องน้ําแล้วมานั่งที่อาสนะเหมือนรู้ว่านางสาวงอกงามจะมาลากลับท่านบอกเด็กชายฝาแฝดให้นั่งอยู่ด้วยเพราะไม่ต้องการจะสนทนากับสตรีเพศสองต่อสองหลวงพ่อคะหนูมากราบลาคะ่ะกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อให้หนูอาศัยอยู่ในวัด ได้กินอิ่มนอนหลับตลอดสิห้าวันที่อยู่ที่นี่หนูขอทำบุญกับหลวงพ่อห้าบาทนะคะอาจจะไม่คุ้มกับค่ากินค่าอยู่หลวงพ่อคงไม่ว่านะคะไม่ว่าหรอกหนูถ้าไม่สะดวกยังไม่ต้องทำบุญก็ได้เอาไว้มีเมื่อไรกยมาทำไม่เป็นไรคะ่ะหนูตั้งใจไว้แล้วหนูขอถวายคะ่ะ หลอนประเคนซองสีขาวบรรจุทนบัตรใบละหนึ่งบาทจำนวนห้าใบท่านพระครูยื่นผ้ากราบออกมารับพลางให้ศีลให้พรบุรุษหนึ่งเข้ามากราบท่านเจ้าของกุฏิแล้วเอ่ยขึ้นว่าผมมากราบขอโทษหลวงพ่อโปรดอาโหสิกรำรให้ผมด้วยอ๋อโยมเองหรอกฤรมาขอโทษอาตมาเรื่องอะไร ท่านถามคือผมหลงโกรธหลวงพ่อที่ไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมนะครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อไม่รับเพราะรู้ล่วงหน้าว่าผมจะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับถูกแล้วอาตมาดูหน้าโยมแล้วก็รู้ว่าไม่ได้แต่งกับคนนั้นแน่ก็เลยไม่รับนิมนต์แล้ไปยังไงมายังไงล่ะ รู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ได้แต่งงานกันครับเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้เองผมผิดหวังมากไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่นึกเลยจริงๆพอจะเล่าให้อัตมาฟังได้ไหมครับเขารับคำพลางปลายตามองไปยังหญิงสาวที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายหน้าตาหล่อนดูสวยบริสุทธ แม้เสื้อผ้าที่สวมใส่จะเก่าเต็มไปด้วยรอยปะทว่าดูสะอาดสะอา้านหนุ่มใหญ่วัยส0มสมองเห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ข้างในนางสาวงอกงามเห็นว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่นั่งฟังจึงเอ่ยลาหนูกราบลาหลวงพ่อก่อนละค่ะหล่อนกราบเบญจางคับปดิษดีสามครั้งแล้วก็คลานออกมาถึงประตูจึงลุกขึ้นเดิน ใครครับหลวงพ่อชายหนุ่มมองตามกระทั่งหลอนเดินลับตาไปจึงได้หันมาถามท่านพระครูมาเข้ากรรมาฐานบ้านอยู่บางราจารันเห็นว่าจะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาเข้าบ้างเขายากจนนะ่ะบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเท่าแก่โรงศีอยู่ท่านพระครูรู้แม่หญิงสาวไม่ได้เรียนให้ทราบแต่ท่าทางเขาเป็นคนดีนะครับ กิริยามารยาทเรียบร้อยหลวงพ่อครับถ้าผมจะแต่งงานกับคนนี้จะได้ไหมครับผมไม่ลังเกียจแม้ว่าเขาจะจนคนถูกสอนรักปักอกว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านเพชรที่กรุงเทพได้มามั่นเจ้าของร้านทองที่สิงห์บุรีเอาไว้เมื่อปีที่แล้วกาหนดจะแต่งงานกันเดือนหน้าแต่แล้วก็ต้องมามีอันเป็นไปโดยไม่ได้คาดฝัน แล้วจะเอาคู่มั่นไปไว้ที่ไหนล่ะท่านถามยิ้มยิ้มทั้งที่ทราบดีว่าได้เกิดอะไรขึ้นผมกำลังจะเล่าถวายอยู่พอดีคือวันนี้ผมอุตส่าห์ขับรถมาจากกรุงเทพตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคู่มั่นที่สิงห์บุรีพอเข้าไปในตลาดก็พบเพื่อนเขาบอกว่าคู่มัน่นของผมกำลังทะเลาะ ก, กับคนอยู่กลางตลาดผมก็ไม่เชื่อเขาก็เลยพาไปดูแม้หลวงพ่อครับ กำลังชี้หน้าตากันใหญ่ทำท่าจะตบจะตีกันด้วยผมก็เลยไปบอกพ่อแม่เขาว่าขอถอนมัน่นตกลงกันไว้ว่าค่าสินสอดห้าแสนพอเห็นเขาเป็นอย่างนั้นผมก็บอกตัวเองว่าแบบนี้สลึงเดียวก็ไม่รับประทานพ่อแม่เขาก็เสียใจผมบอกทองมัน่นกับแหวนเพชรยกให้ไม่เอาคืนให้เขาบอกลูกสาวเขาด้วยและผมก็นึก ถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกออกว่าทําไมหลวงพ่อถึงไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมตอนนั้นผมโกรธหลวงพ่อมากแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับชายหนุ่มเล่าและบ่นต่ออีกว่าไม่ไหวเลยนะครับราคาห้าแสนพอไปเอ่ยเย่อเอ่ยเยอะกับเขากลางตลาดราคาตกมาเหลือไม่ถึงสลึงผมผิดหวังมากไม่นึกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ แต่ผมคิดว่าผมพบเนื้อคู่แล้วนะครับผู้หญิงเมื่อกี้เนี้ยหลวงพ่อว่าผมจะตามไปบ้านเขาดีไหมครับนมใหญ่ใจร้อนขอความเห็นอย่าเพิ่งเลยไว้รอมาพูดกับแม่เขาดีกว่าแม่เขาจะมาเข้ากรรมฐานทางที่ดีโยมน่าจะมาเข้ากรรมฐานด้วยจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่า เคยมีฝรั่งมาบวชที่นี่อาตมาให้เขาปฏิบัติกรรมาฐานเขายังรู้ว่าเนื้อคู่เป็นใครท่านหมายถึงนายวิกโก้บรุนตกลงครับผมจะมาเข้ากรรมาฐานเป็นเพื่อนว่าที่แม่ยายชายหนุ่มตกปากรับคำอย่างง่ายดายเขาจะต้องแต่งงานกับหญิงคนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น